พุทธัสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสังสนีสนทนารายการวิทยุทางสถานีวิทยุ FM106 ครอบครัวข่าวซึ่งมาพบทุกเช้าตรู่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตี5ถึงตี5ครึ่งทั้งนี้ก็เพื่อจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสเข้าถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าในส่วนที่เป็นพุทธวจนะกันตั้งแต่ตอนต้นของรายการเลยนะคะ ท่านจะได้ปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกับฟังคำพระพุทธเจ้าจากพระมาร์คชาควรโรวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบซึ่งขณะนี้ท่านก็อยู่ในห้องสรงนี้แล้วค่ะนนมส ก, กรรมค่ะท่านคะเจริญพรค่ะวันนี้เราก็มาทำความเพียรเผากิเลสกันต่อพร้อมกับฟังพุทธจนะคาสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็มา เจริอาณาปานาสติเพื่อการพอกิเลสการด้วยการรู้สึกถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกหายใจเข้ายาวออกยาวรู้เข้าสั้นออกสั้นรู้จิตหลุดไปคิดในเรื่องใดก็ให้รีบวางความคิดนั่นเสียแล้วตั้งสติอยู่กับลมหายใจหรืออิริบทอื่นๆของร่างกาย สำหรับพระสูตรวันนี้ก็จะให้ฟังเรื่องของขันห้าต่อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงเรื่องของขันห้าไว้ท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์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 นั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้แลในอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งไม่เที่ยงนั่นแหละ ว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นความเห็นที่ถูกต้องเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหนายเพราะความสิ้นไปแห่งความเพลินยึงมีความสิ้นไปแห่งความพอใจเพราะความสิ้นไปแห่งความพอใจจึงมีความสิ้นไปแห่งความเพลิน เพราะความสิ้นไปแห่งความเพลินและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้แลดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เราเห็นขันท่าทั้งหลายว่าไม่เที่ยงและให้ละความเพลินในขันทั้งห้านั้นเสียจะนําให้จิตเราหลุดพ้นได้ สำหรับวันนี้เราก็ปฏิบัติมาได้สมควรแก่เวลาใครจะนั่งสมาธิต่อก็ทำได้หรือใครจะออกจากสมาธิแล้วมาฟังในช่วงต่อไปก็ทำได้ตามสะดวกสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาปฏิบัติทำกันต่อท่านมาค่ะเห็นผู้ฟังบางท่านบอกว่า พอจะนั่งสมาธิต่อได้ยินสปอตโฆษณาเนี่ยสะดุดจะทำได้อย่างไรก็นแนนคะก <c oughs> ็ให้ละความเพลินนั้นเสีย <c oughs> คือได้ยินก็วางอ่าสัแต่ว่าสังแต่ว่าฟังไปค่ะอันนี้ <c oughs> พูดถึงเจริญอาณาปานสติเนี่ยคือการพาตัวเราเองเข้าสู่สมถะให้มีสมาธิ <c oughs> ใช่และในส่วนที่พระสูตรต่างๆซึ่งพระพุทธองค์ใหเราพิจา ร, รณาความไม่เที่ยงของขันทั้ง5นั้นก็คือ เป็นส่วนที่จะทําให้เราใคลายครัวและได้วิปัสนาอย่างนั้นไหมคะเอ่อก็ด้วยแล้วก็เอ่อหากเราอย่างซูว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยแล้วเราจิตเอ่อหลุดออกไปคิดปุ๊บในเรื่องของความคิดถ้าเราไม่เคยฝึกเนี่ยเราก็จะไหลไปตามความคิดสุขไปกับความคิดทุกไปกับความคิดต่างๆแต่ถ้าเรามองเห็นสิ่งนั้นเนี่ยว่ามันไม่เที่ยงในขั้นแรกก็มองว่ามันเอ่อเป็นสิ่งที่เอ่อเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอัตตาแล้วก็ จะเริ่มเห็นความไร้สาระของมันแล้เราสามารถสร้างกําลังมาได้มากขึ้นโดยการดึงสติมาอยู่กลมหายใจมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเริ่มปล่อยวางสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ก็คือการละความเพลินนั่นเองค่ะเป็นการเห็นการเกิดดับท่านได้ทราบมากวิธีของพระพุทธองค์แล้วน่าจะช่วยให้เราเนี่ยได้เห็นความไม่เที่ยงได้ง่ายขึ้น<ช>เพราะเข้าใจว่าอ๋ออย่างนี้คือความไม่เที่ยง<ช>นะคะวันนี้ก็นำมาสการขอบพระคุณท่านอาจารย์แล้วเชิญผ <จะ S 1> ่า